อภาษูภาษาสองโลกมันจะทานกันได้ยังไงว่างันกิเลสเตรีมตัวมันก็แสดงตัเรื่องกิเลสเองเอาทำอะไรมาแสดงพคนมีแต่นั้นนท่านพูดมีแต่ทำล้วนๆมันเข้ากันได้เมื่อไหร่ แต่เรากิเลสเต็มตัวนี่เรายังรู้สึกรำคาญจะตายไปถ้าจะพูดเรื่องำคาญนะหน่ความรู้สึกทุกวนันนี่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่รู้พูดไม่ถูกมันไปคนละทวีปไปคนละโลกเลย าการไม่อยู่กัมันไปเท่านั้นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับอยู่นอยู่กับวัตถุต่างๆอันนี้กับอันนี้ผิดกันไหนไม่เท่านั้นเหมือนเราแบบทรงตั้งทอนหนึ่งในนี้ก็ขันรูปประขันเป็นต้นพราหาเวเป็นจากขันฐานแบบทั้ง ป, รปุริทั้งพราหันทั้งปุริชนแต่ปุริชนแบบสองชั้น แบกต้องรับผิดชอบแบบทั้งรับทั้งหนแบบทั้งอุปทานยึดมั่นถือมั่นแบบหลายด้านหลายทางท่านแบบแต่วความรับผิดชอบแบบตามสัญญาตยานที่อาศัยกันมาเท่านั้นถึงอย่างนั้นมันกหนักในส่วนที่แบบเหมือนกันงานอะไรก็ตามไม่ใกล้ที่ ต, ติดพัน และหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานรากฐานจำคัญมันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมด มีแต่ความศักดิ์แต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสําคัญสาคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับจนหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ปรากฏแต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้ เป็นเครื่องมือของมันเท่านั้นออกทางตาก็ก็เพื่อมันออกทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกิ่นรถก็เพื่อผลได้ได้ของมันความรู้นี้มีแต่มันเอาไปใช้ล้วนๆทำเอื้อมไม่ถึง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 ฉายแสงออกมาจนได้เพราะอํานาจแห่งธรรมครอบกาจัดสิ่งมืดดําทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะท่านว่ามืดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่จะเห็นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลาย ดังรมท่านประกาศไว้แตามันเป็นกรงกันข้ามไปสียหมดเวลาที่กิเลสมีอานาจเรืองอานาจภายในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำางานเพื่อมันเกี่ยวทั้งสิน้นแต่เราทั้งหลายมันทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้ เมื่อทำยังสายแสงเข้าไมา่ถึงนี่ที่ว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรใกล้คิดติดพันหรือหนักหนายยิ่งกว่าการกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกเพราะความลำบากลำบนใกล้คิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวฆ่าสุดนั่นแหละ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 เพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นพุธตีระหว่างกิจกับสภามธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งถึงก้าวไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งตัวนั้นนี่วันแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นพุธตีหัวตะปูย้ําลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิด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 ตัวเหตุมันสิ้นซากไปสมุแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลสได้แก่ขันนี้ที่ครองตัวอยู่ก็รับผิดชอบคนตาเพียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นก้าจิตต่อจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอุปทานตีกราวไว้หรือตีจับแั่นไว้กับจิตการปฏิบัติจริงต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงอย่างมาก สมกับกิเลสไม่มีตัวใดไม่มีกิเลสประเภทใดอ่อนแอเล้ยวไหล โ, ลเโลเรเลโรคเล็กเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความ โ, เโเรเลโรคเล็กอยู่เสมอด้วยอานาจของกิเลสทําให้เป็นเช่ น, นั้นแต่เราก็เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เป็นเช่ น, นั้นเพราะสาเหตุอันใดเมื่อไม่ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกคน <c oughs> ไม่ได้ติเตียนท่านติเตียนเรา พูดตามความกินเป็นอย่างนั้นเราพูดแล้วพูดเหาวิธีการต่อสู้กับวเริยะหรือแก้ไข่อดถอนตัวเองให้เลี่นอดจากสิ่งที่เป็นภยัยต่อจิตใจเราพูดเสมอพูดแล้วพูดเหล่าสิ่งท่นี้ก็ออกมาจากความคิดหลับคาบย่าต่อเมืนั่นแหละไม่ใช่อะไร ถึงพันเข็ดมันเข็ด จ, จริงๆถึงพันเห็นโทษเห็นจริงๆยังทำก็เหมือนกันพันเห็นคุณเห็นจริงๆเห็นจนถึงใจไม่มีอะไรหรือเนื้อธรรมทิ่งที่เคยเกี่ยวข้างตัวพันธ์มาแต่ก่อนคืออะไรมันก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันก็รู้ประจักษ์ใจทั้งสองอย่าง ซึ่งเคยได้สัมพัสพัณกันมามากแล้วทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมะจึงควรสนใจอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายยาสนใจสิ่งใดมากยิ่งกว่าการสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเหตุการณ์ไม่เกิดที่ไหนไเกิดที่ใจนั่นแหละเพราะกิเลสตัวสร้างเหตุการณ์หรือตัวเหตุการณ์จริงๆมันมีอยู่ที่นั่นมันสังมีนั่น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 ในเรื่องของกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นนี่กระชวนออกพันษาแล้วการจะาย่ายผันแปรในสภาพต่างๆนั้นมันมีอยู่รอบตัวรอบเราทุกท่านจึงไม่ควรนอนใจออกไปไหนก็อย่าละความดีที่ตนจะพึงทำเพื่อตัวเองเพราะความดีนี้ไม่มีนอกมีใน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 ศาสนาธรรมอศารยธรรมถึงกรรมเป็นถือกรรมเป็นหลักเป็นสาคัญมากคืการกระทําอย่าได้ประมาทในการกระทํานิสัมมะกาังสเสยอยู่ให้พิจิตพิจารณาใค้ควรของแท้ซะก่อนแล้วค่อยทำลงไปแม้ผิดพลาดก็ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะถูกมากกว่าถูกถ้าใช้ความพิจิพิจารณาก่อนคันมากของพวกภาคเพราะกิเลสมันถักดันออกมาอย่างรุนแรงกระทบอะไรเข้าไปก็ เป็นปืนเป็นไฟไปหมดมันจะเป็นทําได้อย่างไงก็พิเรตเป็นผู้ผักออกมาให้ลูกให้เห็นให้สัมผัสสัมผัสผลที่ได้รับความีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นถ้าเป็นธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุดเย็นทั้งขณะที่ทําเย็นทั้งขณะที่ผ่านไปแล้วคือผลปรากฏขึ้นมาก็เย็นระหว่างพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้ากับเรา อย่าเข้าใจว่าห่างกันเท e ่านั้น e โยดเท่านี้โยดห่างกันเท่านั้ e A, AN, นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องของโลกของสงสารแล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าแทรกจนได้นั่นเป็คือเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกว่าพระพุทธเจ้าปฏิภานานานไปแล้วประการหนึ่งประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีนี่มันปิดขนาดนั้น ถ้าสารโลกยังเล็ดลอดออกไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้อยู่มันก็ขยับเข้าไปอีกทางหนึ่งว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าพระนิพพานานานแล้วในสองพันห้าร้อยกว่าปีนิพพานอยูที่อินเดียนั่นแล้วพระเสดระเสด็จโศภพระเสรี ร, ราของท่านไม่มีอะไรเหลือเป็นปุ๋ยผงไปหมดแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อหาประโยชน์อะไรเมื่อศาสดาก็เป็นปุ๋ยผงไปแล้ว น, นี่เรื่อง ของกิเลสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอย่างนี้ภาษาโลกทั้งหลายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะท่านก็ปริพันธ์ไปเพีนเดียวกับพระพุทธเจ้าท่ายังจัดโลกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่นั่นก็ปิดทางไปอีกทางหนึ่งว่าธรรมก็เมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปริพานไปแล้วธรรมกัยังสุข้างอยู่ได้อย่างไงเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอัดทรงทำไว้่ย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 สิงที่ปฏิบัตินั้นได้ล่าสมัยไปแล้วหรือทำให้พระพุทธเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เพราะวิธีการ น, นั้นทั้งๆที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์ใดหรือท่านผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆให้พระพุทธเจ้าเลยทรงคำดำคําขาวเป็ระดมทางพระอง่นเองแต่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทางถูกต้องที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เช่ น, นพระองค์ทรงพิจารณ กำหนดอนาปานาสติเป็นต้นนี่นี่คือองค์แห่งสัจธรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตแม้จะไม่มีใครมาบอกก็ต า, ามความจริงต้องเป็นความจริงมันดังค้าเมื่อได้ยังจิตยังสติปัญญาเข้าสู่ความจริงแล้วทําไมจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเดากจะรู้อย่างพระสติปัญญาลงไปในสัจธรรมคืออนาปานาสติจนกระทั่ง ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดแนบแน่นลงไปตามๆกันลมที่เป็นเครื่องยี่ของจิตขอ ง, ของพระจิตก็ละเอียดแนบแน่นลงไปพระจิตก็ละเอียดลงไปเมื่อจิตละเอียดลงไปถ้าเป็นน้ําก็ น, นิ่งย่อมซึ่งย่อมนิ่งย่อมสงบย่อมใสถ้าปัญญาก็อย่างทราบไปตามอาการต่างๆในขณะนั้นนี่เป็นปฏิปทาของพระองค์ ที่ทรงดําเนินมาโดยไม่มีใครบอกใครเล่าแต่อาศัยความจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นความจริงการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็เป็นความจริงยิ่งต่อจริงเข้ากันได้สนิทไม่อ้างการไม่อ้างสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาเนี่ยมนาดจีดขวางหรือกั้นกา ง, า ง, างไว้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ในตรัสรู้ทำของจริงขึ้นมาเพราะการดําเนินตามของจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอะไรหลายทั้งสิง้นแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของน้อเปอร์เ เมื่อในตรัสจะรู้แล้วก็ประทานพระอาบาทด้วยของจริงความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วนี้หดะดังแสดงแก่พระเป็นจักรวิีตั้งห้าอันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิดการบุตรรมานตนให้ลหบากเปล่าๆก็ไม่ใช่ทาง เพราะกายไม่ใช่จะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมใจต่างหากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมการฝึกการทรมาตนตนในทางกายโดยไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการทํางานนั้นเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นนอนบนขวากบนน้ำอดอาหารกี่วันก็าตามถ้าไม่มีจิจตภาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์ทันเช่นอัตตกิลมัฐานโยกทันว่ า, ตต ก, า, ก, วาการมรุขันนิการโยก ทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ทางพระองค์ทรงแนะนําสั่งสอนให้ละให้หยุดมัดชฌิมาปฏิปทาต่งางนั่นที่นี่ย้อนธรรมาสู่รทางที่ถูกต้องคําว่ามัชฌิมาขึ้นอยู่กับการสถานที่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความจริงล้วนๆถึงว่ามัชฌิมามัชฌิมาคือเหมาะสมกับความจริงสิ่งที่ทํานั่นหลายคือมัชฌิมาจะพิจารณาก็เป็นความจริงด้วยกัน สติปัญญาศรัทธาความเพียร น, นับตั้งแต่สมาธิิติสมาสงโฆจนกระทั่งสมาสมาธิก็เป็นความจริงด้วยกันเมื่อกําหนดลงสู่ความจริงแล้วจําต้องรู้ได้เห็นได้นางแสดงแก่เป็นจักรีชาติปีตุกขาชาลาปีตุข า, า, ขามันเกิดอยู่ที่ไหนมันแก่ที่ไหนทุกเกิดที่นั่นเป็นลําดับลําดา มันวุ่นแย่ตั้งแต่ความทุกข์วมทุกข์ีอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่ในธาตุในขันนี่บอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบได้แก่รูปประขันทั้งฝ่ายละเอียดลงไปได้แก่นม้มาได้แก่นามนามมาขันก็ถูกหรือว่านามมาทำก็ถูกความคิดที่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ การทกามาตันหาเพราะว่าตันหาวิภพราะวาตันหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทําคนให้เกิดความทุกข์ความลําบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นที่ว่าที่เหลือสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้เกิดโลกให้เกิบุคคลหรือสัตว์ตัวใดรับความลําบากโดอให้รับความสะดวกสบายหรือนิความสุขความเจริญสมองไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุก ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไปไม่เกิดแก่เก็บตายกวนกวายอยู่ในระหว่า ง, งอย่างพบก็กวนกวายการเกิดก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นศัตว์เป็นมรคนก็เป็นทุกข์มันมีตั้งแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาเหยียดร่อนแล้าตั้งแต่เป็นเชื่อเพลิงของยิ่งเลททั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นก็มาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุได้แก่องค์ของปัญญา อพี่นี้พี่นาไข้ควรตามหลักความจริงเหล่านี้นับตั้งแต่ชาติปิดูขาเข้าไปแล้วมันเห็นชาตตามเรื่องธาตุเดืองขันซึ่งมีอยู่กับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันมันปิดมันบงังมันเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงให้เชื่อให้ยึดให้ถือ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 เมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้หาความสตกคนจริงไม่ได้ทำไมจะไม่เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะไม่เป็นทุกข์คว้าน้ำเหลวเราต้องคว้ายีานาให้ลงถูกคำจริงหังชาติปิทุขาก็กองทุกไฟทั้งกองใครจะไปอาจเรื่องไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันล่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปิตุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาาปิตุขามือพาที่ปิตุขา มันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ปืนแตะไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหานอาจเอื้อมไปแตะไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกล่องนั้นแลนยถ้ารุณด้ยวยปัญญาก็เป็นหนึ่งนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปดูขา่นั้นไฟกองหนึ่งหนาะเนี่ยชาไปดูขาพญาปิปไปดูขาก็มีแต่ไฟกองหนึ่งกองหนึ่งว่านําไปดูขังล้วนแล้วจากไฟแต่ละกล่องแล้วกอ มันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเปลี่ยนชินาล่าค่าชอบใจเป็นหนาที่หลงงมงายที่ตรงไหนมันไม่มีนะปูดถึงเรื่องปัญญาอย่างนึงไปแล้วมันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งหนังเรายังจะฝืนคําศตยรรดาองค์เอกที่แสดงออกมาแต่ความจริงร่วนๆแล้วประยึดเอาเทวทัศน์สิ่งที่จอมปลอมนั้นมาเป็นศาระมันก็มีแต่ปืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไ ฟ, ไฟห้ามไม่ฟัง มันก็มีแต่กองทุกแล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้กิเลสช่วยเหลือก็เหยียบย่ำเขาไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็นผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมันกลายเป็นผุยเป็นผงไปได้ถ้ากิเลสช่วยเพราะกิเลสต้องทํางานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของกิเลสเรื่องของธรรมต้องทํางานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลาบเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดิมดั่กิเลสเป็นเครื่องเหยียบย่าทําลายระหว่างทั้งสองนี้เอาอะไร เราเป็นนักโพสตนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นชระนังคฉามนี้ทำพระนังคฉามนี้ก็พิจารณาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหน อ, ข อ, ขอืของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเรากรู้ของไม่กิรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปลอ ย, อยู่สภาพสภาพอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของเรานี้ มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจารณาลงตรงนี้ทําไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะลู้รูปความคําเหมือนที่เลดมันหลอกเราเรายังอุตส่าห์ยังบึกเบือนกับมันลูกคำไปกับมันได้ทั้งๆ้งที่หาความจริงไม่เจอนี่แต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเผาขึ้นมาเพราะการลูกคําไปตามมันเราก็ยังพอใจทําไมจริงจะไม่พอใจกับอัดกับทำตามความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้ นี่ทุกขังอริยจัจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการมัธนาพระวัตหาวิภระวัตนานั่นเป็นผู้สร้างตัวผลนี่ขึ้นมาพระวัตห า, าคืออะไรก็ได้อ่านแล้วดูแล้วในคัมภีร์นี้องไหนจะสงสัยมีใครจะสงสัยก็เห็นอยู่แล้วถ้ามาเตียงเอาแต่เอาความจำเข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่น ถ้าเความจริงตามเพื่อความจริงแลนะมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อย่างไว่าตัญหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหรคนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนะ พิเเป็นไปเพรความหิวความกระหายตลอดไปเลยนักถิตันหาสมานาทีไม่มีแม่แมน้ําใดจะเสมอแม่น้ําคือพิเลตคือความอยากไม่มีเมืองพอเพราะฉนทัมนั้นแก้ความอยากให้เป็นความอิ่มพอขึ้นมาโดยลําดับลำดัตั้งแต่ขันสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิ่มพอในของในตัวเองอก้าวอสู่ปัญญาพินิพิจาณาทางด้านปัญญา หรือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสําหรับรับทานเยียวยากำลังบางชาจะได้มีขึ้นเนี่ยสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหวยจิตย่อมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรจต่การพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเลทลายเพราะความยิ่โเหวยบีบบังคับหรือถูกลากให้ไปเนี่ยทัญญากับพิจารณาตามสภาวธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้ แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จําเป็นไม่จําเป็นถือที่นี่เป็นเป็นฐานสําคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเวลาเวลาเข้ามากีดมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทํางานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทํอางานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือสกุลนการนี้เป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณา ทางด้านสติปัญญาสตางค์คมเปลี่ยนหมุนกันลงที่นี่กามาตัญหามันจะผ่านพ้นอํานาจของมัชฌิมาปได้อย่างไรภาวะาปัญหาวิภาวะปัญามมันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้นอืมเหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลูกลามเข้าไปนี่ก็ตปะธรรมไหม้เข้าไปการมาตัญหาอยู่ที่ไหนภาวะปัญหาอยู่ที่นั่นวิภาวะตัญหาก็อยู่ที่นั่นอืม มันเผากันเข้าไปโดยลำดับลาดาจนเกลี้ยงไม่มีเหลือนั่งเพราะสิ่งเันี้เป็นเชื้อของไฟได้แกต่ตปรธรรมจะต้องแผดเผากเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเอาของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจสี่ท่านสอนด้อย่างนี้แหละในปัานพุัญนาตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้เ็เห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้เ็เห็น เมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วนประกาศท้าทายความจริงต่อเบญจประกีทั้งห้ามาทำเหล่านี้เราไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็บอกเราไม่เคยรู้ก็เห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเรากบอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตามสาหรับผู้ฟังหาความจริงอยู่แล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอยางลงสู่ความจริงได้เป็นลําดับลำดับจนกระทั่ง ถ้าอัญญาคนัญญาได้เป็ีนอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายัง่งยินจิตสมุนได้สมุนไดจะทาบังสัต บ, บันทังนี้โดยทําบังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าจริงได้จริงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลายๆไปธรรมดาไม่ค่อยจดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัดของกิเลสอยู่และจุดถนัดขอ ง, ของธรรมที่สถิตอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามขึ้นที่ว่าสมุน ขึ้นชั่วมมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้ น, นถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตาละคณาสุขให้ฟังในอันดับต่อไปนี่พูดถึงเรื่องแปลสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคงเข้าไปโดยลำดับลำดารูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตา สัญญาณตาสั้งคาลานตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยสุดถ้ากับสเบธมานตาไปหมดนี่เปิดเปิดออกไปให้ปล่อยปล่อยอนัตตาอย่ายึดยึดไปหาอะไรอันนี้จางทุกขังอนัตตามันเป็นความฝืนกองไยทั้งนั้นไม่สมควรที่จะมายึดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในความฝืนกองไฟอย่ายึดแสดงออกให้เห็นชัดชัดอย่างนี้ ก็มาทำถึงนี้เป็นทางวิรากติวิรากายมุตติวิมุตยิต่งมือจะมีติงานานางหกติเมื่อกิจได้เบื่อหน่ายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโด่แบบสงสารแต่เมื่อไม่มีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปถ้ารายละเอียดยิ่งกว่านั้นกหมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลสของธรรมไปโดยลํำดับลำดับ เทางจิตมันเบื่อหน่ายเพราะสิ่งอันนี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดตัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแน่ถึงจะเจอสิ่งที่กระเสริฐเลิอดเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนนี้แล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่า สิ่งจำความทั้งหลายมันปกคุมหัวอยู่เท่านั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จำย้อนกลืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นเนี่ยยังมีสุขทุกทุกๆ์กเกี่วเปลนไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นแดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่นู้นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจา้าองค์นั้นสาวกองนี้ แต่ออยู่ที่นี่ทำท่านสอนลงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลักระหว่างพระพุทธเจ้ากับราษาวกถึงทำทั้งหลายที่ท่านนามาประกาศสอนโลกจากไม่ห่างไกลาจากความจริงอย่างนี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้งสี่ประเภทหรือสี่ประการนี่แล้วมีมุติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ากลางแห่งสัจธรรมนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมใ้ขุดค้นตรงที่นี่ อยู่ด้วยกันมาก่อนานขามูกับคณนะหมู่เพื่อนมามาเรื่อยๆมองดูทีไรมันสะดุดทุกที ท, ก ท, กทุกทีมันไม่ทราบเป็นอย่างนั้นแสดงถึงเรื่องกิจแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กระเพื่อมตัวเองนั้นมีแต่กิเลสครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมสม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 แสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรถ้ากั น, นำมาพิจารณาอีกทีในทาข้อนี้เพราะนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษทักโวยอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจจนเต็มสติกำลังความสามารถทุ่มลงหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันบอกข้อที่ตรงไหนจำเป็นต้องพูดกันให้เข้าใ จ, จแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพอ อันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโผล่ตัวออกมาได้ถึงทํางานออกมาได้อย่างอาจอย่างหาอย่างไม่รู้สึกตัวเลยสําหรับผู้ที่เป็นตุกตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีต้องพยายามฟิตสติปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความงงเง่าต่าตุ่นมันความแสดงความฉลาดแยบหาจะแสดงที่นั่นเนี่ยมันแสดงที่ไหนร่างกายกริยามารยาทนี้มันเป็นเครื่องมือของจิต จิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีหนึง่งถ้ากิเลสมันหนาก็กิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจากกิเลสมันบานลงไปทํำข้อเจริญนุ่งเรืองขึ้นมากิยาการก็จะเป็นอัดเป็นธทำน่าดูน่าชมอเห็นผลนการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติเจ้เองเจ้าของเจ้เองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าขอ ง, ง, ของว่าได้รอบไปเป็นตามขัน้นตามถึงโดยลําดับลําดาแล้วนั่ การปฏิบัติต้องในเร่งผลอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะนี่ออกาภนษาแลา้วก็แยกย่า ก, กันไปต่างถิน่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานางงาน้องตนที่จะต้องจัดต้องทํามันถักเป็นความจําเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้ไม่จัดไม่ทําไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั่นด้วยกันจะอยู่ในทวีปใดที่ไหนก็ตามในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินต้องยิ่งเต็มควนควาย แต่อยังไงก็ตามก็เพื่อเราเราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาดอย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องอย่าให้เราขาดตกบกพร่องัวเราผู้เป็นเป็นผู้ชับเคราะ์รับกรรมอันดีอันชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไวให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจนี้เป็นพื้นฐานแห่งความรู้ทันจึงเรียกว่าอะนิพานเที่ยง หมายถึงกิจที่บริสุทธิ์ร่นล้วนแล้วไม่มีอะไรทําให้เอ็นให้เอียงนั่นแหละเที่ยงเนี่เราตั้งความหวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็มภูมินอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่นี้จังทุกขังนัาตาที่จะคอยพาทาให้พังทลายพังทลายไม่ใจมันได้ยังไงอมาตะาจิตอมาตะธรรมจิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่ไหลุดพ้นก็าตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะ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 ความแน่นอนเข้ามันไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่สิน้นจะยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตายมีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมนเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องถองปู่มัน ท่าเกี่ยวกับพระกำเนนทั้งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพวกเ น, นทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั่งที่เละมีแต่หอกแต่แหลมแต่หลาแต่ฟืนแต่ไฟเผาท่านโดยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่แม้แต่ก็ถือไฟอย่างลูกโจรไปตลอดเวลาทําไมมันจะไม่แต่เผาคนนั้นเผาคนนี้นี่องค์ท่านเองไม่มีทํําทาไมมันจะไม่เหลืออดเหลือทนกับพวกเรา ความละเอียดต่างกันเท่า น, นั้นคุณอาจารย์แนะนํำตักตะเกียรสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กาลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่ข้อสอนได้เล็กๆน้อยๆท่านก็สอนเวลายิ่งเวลาจําเป็นเข้าไปเกี่ยวข้ อ, องกับท่านข้ออาจก็ทําในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใด ท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมาให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่า น, นั้นพอพอะท่านรู้จุดหมายอันสําคัญสาคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่านอ mm hmm. ถึงวาระสุดท้ายที่จะพูดมากมหน่ะท่านก็พูดเอาแต่สําคัญสาคั ญ, ค ญ, คญเอาแต่นน เ, นเนื้อออกมาให้ได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใจเลย mm hmm. เวลาท่านผ่านไปแล้ว หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะตามธรรมด์ของจิตใจสามัญคนเรามันก็ต้องในยึดรูปยึดวัตถุเป็นําคัญทางหูก็ได้ได้ยินได้ฟังทางตาก็ได้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ซึมซาบเข้าถึงใจเพื่อเป็นกําลังของจิตใจเวลาท่านพักผ้าจากไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจจะคิดแย่อันนี้ทําจากการไม่เห็นไม่ยินใน่ฟังนั้นก็คิดไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากทางนั้น พรท่านผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นการเสียก็การหนึ่งแม้ทําจะมีอยู่แต่ไม่มีผู้พูดคุยขึ้นมามันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจนี่เวลานี้เราอยู่ด้วยการมาศึกษาอบอรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มากเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสินใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคย สังคมอยู่ภายจิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสไม่เป็นไรละเคยเป็นมิตรป็นหากันมาแล้วเราไม่เห็นว่าอไฟเราคุ้นกับมันได้ยังไงยี่เขาตรงไหนร้อนตรงนั้นที่เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้มีกิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ถ้าคุ้นกับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะน่าทั้นในการคุ้นกับกิเลสนอนใจกับกิเลส นอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมค่ายธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการชาระสาสางให้สิ่งนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอํานาจแห่งธรรมเป็นเครื่องช้าล้างหรือผักดันออกไปนี่ระดับใหญ่ขอให้บุคคลนนําไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสําคัญมากยาได้ลืมนะสตินะั้นเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อนก่อนสติ ปัญญาจะออกจกอะก้าเดินสติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทงางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรับทราบทันทีทันทีแล้วปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้นเริ่มแรกแต่หลายครั้งเราเห็นต่อไปจนจ น, นีจังนานแล้วความแพ้ก็มีน้อยลงโดยลำดับมีแต่ความชนะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคําว่าแพ้ มีแต่ตายด้วยกันถ้ามาชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคําว่าแพ้แพ้ไม่ได้เหมือนกับหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงคนแพ้คิดของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหะไม่มีใครมาบอกก็รู้เองถึงขั้นเด็ดเด็ดจริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสล่ะได้จริงนี่เพราะอํานาจแห่งความเชื่อถับเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจ ประจักษ์อยู่กับใจธรรมก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดริมุติพันิพานก็ถึงใจตามขั้นของธรรมที่จะเป็นกําลังใจให้นต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนียวถึงสระเป็นสระตายหาคำว่าแพ้ไม่ได้นั่นแหละกําลังของของจักของธรรมเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลําดับจนถึงขนาดว่ากิเลสตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปในคันทีทันใด เพราะสติปัญญาทันเกลียงไกมากถึงขั้นเกลียงไกแต่เวลาล้มลุกผูคารานก็ไม่มีกําลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหยิห่เหล็กมันเหยียบหัวเรากโมโ ห, ห้มันแมันก็เหยียบไปทั้งทั้งที่โมโหเลยแหละมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่เจ๊โอ้โหนี่เขาโมโหเขาเกลียชยงให้เราเราต้องพักซะก่อน เบาเมือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนึ่งตั้งตัวไม่มีคำว่ากิเลสยิ่งอ่อนตัวธรรมดามันยิ่งขยับใหญ่เลยก็นําใหญ่เอาแหลกไปเลยไม่ต้องท่าฮึดสู้นั่นนออมีกิเลสมันพ้นมาขนาดไหนธรรมะต้องพ้นไปการผาดผลเพื่อความดีสําหรับเราต่อกิเลสที่เป็นตัวผ่าผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมพระเจ้าไม่สอนไว้เอ สอให้หนักมือหนักมือเอาให้เต็มที่เพื่งสอนในชันทะเอาพอใจะให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกจิตให้รักให้ชอบในกิจการของตนอยากรักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทํางานนี้นี่มังสาให่ควรต ร, ตรงนี้ให้ถึงใจปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสําเร็จไปได้ไม่มีอะไรท้นจากนี่ขณะอิธิบาทเพื่อนเพล ง, งความสําเร็จ แปลเอาอแล้วนะ่ะดูกับที่ที่ฉันท้าวิริยะคิดต่วิมังสานีเนี่ยถนอมเพื่นเพลงความสําเร็จแ mm hmm. ปลฟังแล้ได้ความเลยมันอยู่ที่นี่มัน ต, ตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็น้ำวนล่อหล่อลงไปล่อหล่อลงไปต่อไปนี้จะไม่มีผู้ชี้แจงอัธรรมเพราะเราถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะทําความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้ว เราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นไดเขาได้ถึงได้ดีถูกต้องแม่นยาถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำแค่คนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยาหรือผิดอย่างแม่นยำนะส่วนหน้ามมีแต่ผิดอย่างแม่นยำนะกิเดสมันเอาอย่างแม่นําแม่นยาก็ผิดอย่างแม่นยาแม่นยาของกิเลสไม่ใช่แม่นยาของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแน่นยาในเรื่องของกิเลสสับเอายำเอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นยาทั้งนั้น ทำรรมาศับ ย, ยังไม่ถูกทะเลตะไลพิปรีทพลาดพลามล้มนนเนรนาคไปเพราะหน้าของกิเลสฟันเอาฟันเอาเอาให้กิเลสมันทางนนเนรลนาคไปหเห็นดิดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่าอยู่ในทางจมกลมก็ฆ่าเดินอยู่ก็ฆ่านอนอยู่ก็ฆ่าเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่ขบฉันอยู่ก็ฆ่า เพาจะติปัญญาทําหน้าที่เขากิดเด็จตตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารหาร้านข่าวอะไรทั้งนั้นงานของระหว่างกิจเขากิดเด็เมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นตะลุมบอนกันตลอดเนี่ยที่นี่แม่นยําห่ะที่นี้นะค่ากิเลสอย่างแม่นยาแม่นยาแม่นยาสุกกระสุกอย่างแม่นยำไม่มีสุกปลอมๆหรอกมอีแต่แม่นยาแน่นยำเอาจนกระทั่งถึงมืดหลุดพ้นแม่นยำเต็มที่หายห่วงอันนั้ค่าจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเธอะ ถ้าลงกินตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวฉะนั้นมันก็เหมือนโล ก, กทานนี้ไม่มีผมมีกินตรงเยอะนี้ไปเกี่ยวข้องไปสจำพันธไปยึดไปถือทั้งๆที่สี่เห่ยนั้นเขาก็เป็นน่องเขาอยู่ตามหลักความกินของตนอพวกนี้มันปลอมมันข้านองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเกี่ยวยึดเกี่ยวแบกเจ้าหามแล้วก็เอากองทุกมาเผาตัวเองแล้วก็บน่นซึ่งเป็นเรื่องแน่จะเป็นเรื่องของกลุ่มายาของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นไม่ ด้วยทะเลสาไหลไปจนนําให้ลูกกำดํากำขาว ม, มันมันมีก็จําเป็นต้อง เ, เป็นไปตามอํานาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหานยิ่งกว่าธรรมนล้วดังที่ท่านบอกมหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกลี้ยงกายที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติอะไรสงสัยแล้วว่ามหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการไปยังไง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 ได้ผลดังเต็มที่แล้วแล้วอะไรที่นีจากไตรธรรมทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธ์ถามขันไปถา ม, ามาที่เสวะไม่ร่ำไม่ลาทําไมทันทิที่โก้ท่านว่านี่แหละทันทิที่โก้ั้นเอกลงจุดนี้สันทีที่โกอันนั้นก็รู้นี่ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภุ่มใดอยากเพียขนาดไหนก็รู้เมื่อทางถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้ ก็ข้าวออกสูปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้ควรู้จนกระทั่งถึงมหาวัธิธัญญาก็รู้กันโดยลําดับจำดานจนระทั่งเกีเด็ดทางทลายไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาลิมหาปัญญานี่ให้ภาคกาลังเสียไม่ต้องบอกอืแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อใจต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วน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 ด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมต่างหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกับธรรมแบบนี้เลยนี่แต่อารมณ์ปากมาจากกําลัดําลายแล้วก็มาโอ้มาอวดมาคุยทําคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกรกปลกพ่นไปที่ไหนเหม็นครุ่งไปหมดและทํานาคนอื่นได้อย่างมากมาย<อ>เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเราจะปฏิบัติลงไปให้มันสันติโวนี้ประจักษ์แจ้ง พัาหารนอนนอนยังไงไม่นอนยังไงถามไข่ไม่รู้ท่านไม่รู้แจ้งในท่นในขันจะเป็นลูกความบริสุทธิ์ความจริงเต็มส่วนนั้นได้ยังไงขันก็ต้องรู้แจ้งชัดในขันเออะไรจะยิ่งเสดจอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้นทําไมจะไม่ทราบเรื่องท่านเรื่องขันพักผ่อนหยนตัวทําไมจะไม่ทราบเรื่องกิจที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติิโกเต็มภูมินั้นได้ล่ะนี่ น, นี่ ส, สดสดร้อนๆทางนั้นนะแม้ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธการนะนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราทําเป็นของจริงจริงอยู่กับทุกสัจธรรมจริงอยู่กับทุกๆสัจธร ร, รมเราก็เป็นผู้ทรงสัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสัจธรรมฝ่ายนันยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันตอนนั้นฝ่ายทุกสมมูไทน์เมื่อฝ่ายทุกฝ่ายสัมมูไทน์ยังหนักมากอยู่ฝ่ายมากฝ่ายนนิโรธก็ต้องด้อย แต่ผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงสัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัดเนื้วก็หาสงสัยที่ว่าข้านพุทธการเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์ยังไงลักษณะเป็นยังไงเมื่อมาสงสัยธรรมชาติที่ เป็นสิทิติโกเต็มส่วนคือมาคาว่าผูดโดยสุดเต็มส่วนนี้แล้วก็ไม่สงสัยว่าพระเจ้าสงสัยท่านลนไหนทําแท้คืออะไรเนี่ยทําแท้คือธรรมชาตินี้แน่กค่เท่านั้นทธรรมกิจเป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรแท้ริยาอาการที่สแสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสัมติโกเต็มผุ่มแล้วก็เจอธรรมแท้ทรงธรรมแท้ไว้อย่างเต็มหัวใจสังโฆคือใครคือผู้ทรงอันนี้ไว้ทรงธรรมชาติที่คือธรรมแท้นี้ไว้ใน ใจที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เกียนวลาวเวลาทำไม้เพราะทําเป็นของกิงเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าไม่แบ่งสัดแบ่งส่วนว่าคนครั้งนั้นครั้งนี้ทําก็สัจะทําครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นสัจะทําครั้งนี้เป็นอย่างนี้อมากโภนิพพานครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้เทุกครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันสมุทัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกัน มากกับนิโรธทั้งนั้นครั้นี้ต่างกันเพราะฉะนั Bea, ้นนิพพานจริงต ah, ่างกันหรือความบริสุทธิ์จริงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดสัจธรรมเต็มตัวสัจธรรมเต็มน้อเปอร์หมือนกันไม่ว่าทุกกระทุกเต็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมากเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความบริสุดเป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมสัจธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเอาฟังให้ถึงใจอย่าไปคิดให้เสียเวล่เวลาชาสิดาอุเบกสอนตรงที่นี่ กิเลสตัวเอกๆมันก็ซ้อนของมันแทรกลงในนั้นให้จำให้ดีระวังดีนะเออมันแทรกซ้อนลงไปอยู่โดยลําดับลำดาเราไม่รู้มิตรกิเลสเนี่ยทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทํางานในทางยังคง ม, มันก็เหยียบหัวเราอยู่นั้นแหละนั่งภาวน้ำก็เหยียบหัวให้สพบโค้งงันอยู่นั่นไปที่ไหนมิตรกิเลสเหยียบหัวผ้าเหยียบหัวพระ เ, เราสะดสังเกต จ, จะตายไปทําไม่ได้เหยียบหัวกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเลดบ้างเหลอนั่งปฏิบัตินะ่ะเหน่อยๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้ ยังไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยกรู้ต้งองหยุดเออเป็นประมาณนี้เหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทําไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกเวนาหมู่เคลื่นแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้อันนี้สําคัญมาก การจ ะ, ะแตหาครอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสําคัญอยู่มากคือรวดเร็วกันอยู่มากนะที่ดูตั้งแต่สมัยกมดุกัของปู่ ม, ม่นเหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลแต่จะมากก็นั่นพี่นาจะของเออมันช้าได้แต่มันช้ า, า, ชาบางอย่างมันขวางเลยเจ้าบึ่งถึงท่านเลยเพราะกล่าวเยียนท่านจบลงทรงนั้นเน่ะท่านใส่ถางเดียวท่านพังเลยนี่ คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้ต้องิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางทีสามสี่วันถ้าอยู่ใกล้ๆบางความล้านที่สามสี่กิโลนี่บางทีสามสี่วันมันกลับไปแล้วนะคือไม่ข้ามไปถึงท่านนัมันขาดจะบ้านมาเลยถ้าเราเอาเองนั้นบางทีทั้งวันทั้งคืนนก็ไม่ได้เรื่อกเพราะช้างไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแตมันปรากฏขึ้นมาทำไงนอกจากเราพี่นี่พี่จะน้ำของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้ง สมุทัยทั้งมรคนเลยขึ้นมาแต่บางทีมรไม่ทันมันสมุทั ย, ยมีอำนาจแข็งฤทดิเลยดิต้องอาศาัยครูวาจาั์ช่วยปราะให้แต่ว่าอะไรอย่างที่ผมเคยพูดที่ว่าที่จุดนท่านมีจุดมีต่ำหลวงพูดอยที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงประหารท่านลงปู่มั่นอยู่ที่ทางเดียวเท่านั้นมันพังไปทัง้งนั้นมาที่มาพิจารณาเจ้ของยังไม่รู้ วอะไรเป็นจุดเป็นตอนก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใส่ใส่ผู้ที่ว่าอาจจจัศจรรย์นั่นแหละคือจุดมันเนยเวลามันผ่านไปแล้วถึงรู้ถ้าลงประกาศอย่างท่านหน่งงานั้นสร้างกระใส่ผางอยู่นั่นมันคืออะไรนั่ น, ท, นท่านใส่ปึ๋งเดียวเท่านั้นแ่ะทางเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันมันก็เลี่ยงไกลามาตั้งแต่นั้นอยู่แล้วได้รับธรรมด้า น, านประโยชน์หนึงเท่า น, นี้พอเลย ก็นี่ดำเลยจุดหนึ่คืออะไรยังไงยังไม่เห็นนี่ถูกกิเลสมันหลอกต้องไปหมดแต่คู่มืออยู่นอกยังไม่ทังมันไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปได้จนจำเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมาถึงในถอยกลับมาหาจุดนี้จุดนี้ถึงในพังไปโอ้โหทันดีเออมีจุดที่ต่อมของลูกผู้ใหญคือนี่เองก้อนเดียดนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นแล้ว อนี่ยันทางไปอะไรที่เป็นทําเป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลยจะว่าไงทําไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหโอนี่เองจุดต่ำพุรุ่งจุดต่ำพุรุ่งจุดต่ำทางอวิชามันนี่เองฝันไม่รู้ถ้าหลวงท่านตอบให้ทีเดียวท่านนั้นทางเลยช น, นะนถามใครก็ไม่เอ็งเอ็งหูใครฝันแกเองที่ไปนั่นเสียบางองค์เรากยถามทำไมเอาเอาอยู่นี่แหละวะมีแล้วนะบางองค์ เาไปถามเราลงเงี hello, hello, so first, ้จะทำไงแก่ไงเอ้าใครฝันก็แก้วสิหัวใครก็อื่นแกะแจ้งไงเจ้าของฝันไม่แก้วอยู่ไม่ได้เรื่องเป็นตบบาใต้งรวมรั้นวางนะเวลานี่ก็เหมือนกันทำงานใส่บาทอ่างนี้ไปมองดูอะไรนอกนาๆแบบมองในบาทเจ้าของดิวันไหนที่ไดมาเขกข้าวหนึ่ง ตาเราเดือบมองมาวันนี้มันเถื่อเถื่อเถือมันเหมือนบ้านะต้องไดหยุดมันนกลับมานะมันดูไม่ได้นะ่ะมันสนใจอะไรกับเรื่องโลคโรครังศารของเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องอะไรดูซิมันผิดกันไหมเรื่องของเขาก็เรื่องของเราเราปฏิบัติยังไงจึงเปื่ อ, อ, อ, ข, อ, ข, อของเร า, เ า, เรเรามันเป็นบ้า น, ะานาิบ้าหนิเถ่อเถอบัมองไปไหนจริงๆไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นเหลอมันเกืิดมีโรคตรงนี้ทำแล้วเคยเห็นเหลอถึงไม่สนใจ นี่เราอยากถามมวยกันอย่างนี้นะเคยดูเคยเห็นเคสัมผัสสัมผัสแล้วกับโลกอันนี้อย่งงางทุ๊ก้าตากลุ่มกองทุกข์โลกหมุดโลกขูดมันจมอยู่ในหัวใจนี่นพอแล้วมันยังตื่นกันอยู่เรือทำเก็เห็นแล้วยังเข้ามาปฏิบัติเพื่อจะดูทำเห็นทำทําไมจึงไปเห็นไปดูอย่างนั้นมันหน่ามโมโหนะนะ เ, เริกเลย